เป็นเด็กรุ่บานถึงแค่สอคนเด็กรุ่นบ้านถึสองพ่อะที่ยกมุอมาสาปีนะส่วนก็แขกไปได้สปีรีโอนี่อ่านสิไม่หมดจะจำได้ไหม ก็มีครูครูต้นบทศิษย์ยังไม่ได้เปตอบประชารัประชามเดียวมาที่จะบวชในนนะครับจะต้องบดชคก่อนเพราะว่าครูเขาต้องอยู่ในในบในั่นอยู่ในบสถมีศิบวชกันที่นี่ ส่วนรายละอยขั้นตอนต่านไปเดี๋ยวจะชีะ้แจงในในวันในี้ถ้าไปอ่านเพราะคุประสงค์ของวงการก็คือพ่อเนี่ยจะโอนในมาทั้งหมสี่รุ่นจะเป็นในสี่รุ่นนี่ไม่เกี่ยวกับเราในรุ่นอื่นเลยเราไปไปบอกผู้ของว่าอารูกบุณได้บุบุญถึงนะ้นไปบวชเท่าไหรบวชปีน้น คิดบ่าลูกท่านมันสุขสบายเกินฟังก็เลยออเอามันไปลำบาไปมิน้ำ บ, บาบาราหกกิโลได้เฉพ า, าะกล้วยกักไข่นานๆจะมีแกงมาสักถุงแนวก็เลยฉันไข่วาลสีฟองกลับอรุงเทศต้องเข้าโรงบาล มันขี้ไม่ออกอึดอาดมากไม่ได้กินเราให้ไป น, นอนหลับหมาสุน้าตามวะไม่มีแอร์ไม่มี้ก็รงนั้นก็คิดว่าค่อนข้างจะเป็นร่อากวพาเอาไปอีสาเอาไปออกเพราอยู่กรุเทศนี่ไม่ได้เข้าวิซ่าเป็มเคฟูจิอะไรเพราะเิดว่าเราคิดผิดเราซืปป้อออกไปด้านด้านที่เขา ปีที่สองต้องปรับรับให้มันสมุดขึ้นก็นคือให้มันเข้าเสเป็นได้พอเข้าเสเว่นได้มันเป็นเป็นปัญหาตับเราคุณพระที่จะถามเนรก็เข้าเซเ ว, นเวนน่นพอเนรข้าเซเว่นเนรท่านเชื่อไหมลูกท่านเน น, น, นคะครับ เวลาโกนหัวแล้วมผ้าหมันเข้าเส้นไม่เคยเสียตังค์เลยมันห่อมาสองถที่คนยืนนอาจ่ากเงินมัน ก, กน็มันก็เป็นปัญหาแต่เราอีกสิ้นมาวามันขนกันไม่รูจ้จังเมื่ปีที่สามไม่เข้าเส้์พอไม่ขมเข้าเส้นเราก็ต้องไปหาที่ปีน บ, บาด ท, ที่มันพอจะมีฉัน ก็พาไปที่แม่สอนแม่สอนเนี่ยต้องใช้เวลาบินมาประมาณสองชั่วโมงขึ้นเพราะตลาดแม่สอนดี่ช้ามาสับถามหนึ่งรถกระบเต็มเต็มไปหนาเราให้เขาฉันนื้งเดียวเราก็บอกเขาว่าที่เหลือคุณเก็บใส่ย่ามาฉันที่ตได้แต่ต้องห้ามเกินสิบสองคุณ เนงก็เก็บอาหารมานิดติคนละหนึ่งย่างเต็มแต่ <c oughs> มันก็เป็นปัญหากับเราอีกเราก็ขึ้นดมันก็แต่งมีมปด้วยเราก็ได้บอกว่าเมืองจังวันนี้ไม่มีจอด <c oughs> คุณกินในย่างมูณเลยจนครบสิบสองโมงแล้วเราขอเก็บจานมันก็กินเต็มที่เล ก็สูงมากเลยเที่ยเราเก็บเก็บย่ายก็ต้องไปเทรเพราะว่าจะไม่มีหลังโดนน้ำก็ลออไปอีกหนึ่งครั้งแต่เัวสุดท้ายที่ป่าไปเดินมีสาวคนที่น้ำไปที่ล้อมตายช่วงล้อมตายเนี่ยสีพระเจ้ามารั้งแง่ไปด้วยแล้วก็มีมาไปสีห้ารู ปรากฏว่าเดนเข้าเข้าที่เดิมคือคอนฟอสสนเพร่ อ, องใต้นี่คิดว่าจะลำบ า, ากเงินไม่จับใช้ได้ไม่เข้าแล้วก็ปอากฏว่าเวลาพวกนี้คือคือลูกคนที่มาบวเนี่ยนะพ่อบอก ต, ต้อเลยนะว่าบุญก็มหาศาลเพราะว่า เข้าไปที um ่ไหนก็นลังแสเนี่ยไม่เคยหมดเลยบินสบานี่เรายังไม่เข้าตลาดเลยนะครับเราเดินแค่ระยะที่อำเภออำเภอน้นเจ็ดลูกเดินที่อำเภอเนี่ยไม่ไกลเ่ไหประมาณกิโลกรอ่าหนึ่งรถกระบะเต็มเต็มชั้นสองพืต้องแพอาหารกันไม่หมดมันเยอะมาก แล้วเที่ยวนี้เที่ยวที่แล้วไปที่ไปที่ต้าเนี่ยเราไปที่เกาะสมุยไปเกาะพะงันเราต้องไปไปหลายชั่วมไปเดินที่ตรงไปที่โค้งคือเราจะไปบินทบานนะำปนญะตอนสามโมเย็นที่ตลาดต้องพิจตัง <c oughs> ก็ใหใเดินจากที่ทักไปประมาณสักห้าิโลบางคนก็ลงเท้าแต่แะไรเราคือเราจะฝึกความอดทนส่วนเขาจะเรียนรู้อะไรนี้ ให้คนเรียนรู้เห็เราเดินเดินไปบางทีเราก็เข้าไปสมยานเขาก็ถามหลวงพ่อรู้จักพ่อหรือไม่ต้องชุ่เนียนเข้าไปเราตอบไม่ได้ผหมาเข้าไปกาดเจ้าของออกมันต้องเราเน่เสียคนเรียนรู้การขี่ยามเลยเราหลวงพ่อไม่ได้นานเขาไม่ต้องนั้นเราเดินเข้าไปในสเราเขาจะออกมาที่ว่าแต่ว่าอ้าววิธีการขี่ั้มที่อย่างนี้ยามมันจะไหลอย่างนี้ปริมาณของถ้วยขนาดนี้เราคุณได้เก็บใช่ไหมก็คือหนึ่งศาสนา วาเดินไปนทุกดวงมันก็จะมียายคนนึงทุกเหงก็ให้เขาเรียนรู้การทุกเกเหงก็ปรากฏว่าบางทีต้องออกไปจากที่ยังไม่ถึงตลาดมีน้ำบาสน้นน้นี่ะบางคนก็เจ็บเท้ามันก็ร้อมก็ปดีวชาวบ้านเขาเห็นว่าเขาถามไปไหนมจะพานมีนบาน้ำนตอนสี่โมงเย็นปกว่าเน เดินไปสัมผัสเขาก็เอาน้ำมาหวายท่านหนึ่งเป็นน้ำน้ำปาป่ารกแบอกไงฉันคนละหัวล้เดี๋ยวไปเอ า, น, า, น, น, าน้ำเปล่านะน้นน้ป่านะให้เข้าใจนะซึ่งไรุ่นนี้จะได้ไปดีที่ตลาดหมาชัยท่านจเจ้าวาดพรแค่จดียรพารับรองคุณลวงหมาชัยคุณหลงต้องไป่ายได้เลยเพราะไมเนอเอารถกระบะไปขนได้เลยก็รอกลตว่า ไม่ถึงตลาดยังไม่ได้ินก็มีรถกรนะบะมาน้่งเราเราบอกว่าจะมปดินน้ำปานก็คิดว่าจะนั่เราไปดินน้ำบานมีเรามีน้าห น, นึ่งแพ็กหน่เนเขาก็ไปซื้อมาให้อีกห้าแพ็กได้หแพ็กสิบสองเจ็ดสิบสองขวดเนี่ยเรามีไม่เกินมีอยู่ประมาณหนเจ็ลูกน้ำเจ็ดสิบสองขวดมังไม่ต้องนละกล่าวา แค่นี้ไม่สำนไม่หมดนี่ยังไม่ได้ดนเลยนะเนก็อบอกว่าเขาก็รอรอดเท่าบุญของเขาก็สําหรับโครงการนี้นะครับเอาเข้าเลยเพราะว่าเวลาเราน้อยสําหรับตารางต่างๆนี่เดี๋ยวคุณไปดูก่อนนะครับวิทยากรเราก็จัดให้ค่อนข้างเต็มหรือพ่อขอพูดต่อเพราะว่าเนื่องจากวันที่สิห้าธันวานเนี่ยจะเป็นวันปิดโครงการแล้วก็ วันนั oh. so that, like that. ้นเราจะมีวิธีจุดเทียนแล้วก็ส่งเสด็จในหลวงสู่สวนกาลัยพวกท่านต้องมาผู้คนผู้ของแล้วก็เชิญปู่ยาตายายด้วยบุญศรที่ลูกท่านบวชแล้วก็ท่านที่ได้บุญสรจากลูกท่านก็ควรใช่ไหมวิยากรพิเศษหลวงพ่อเชิญท่านมากัคือถ้าติดงานอยู่ที้ประจวบ ถามว่ามาเลิกกี่โมงพีประมาณสี่เย็นบอกอาจารย์สี่โมงเย็นขับว่ามาเลยผมอยรอได้แต่ขึ้นท่านจะมาพูดเรื่องในหูของเราท่าฟังพันเองในแพทย์ของสักด์ตั้งขึ้นมาเบี้ยเงินระดับประเทศนั้นพูดชัมมะะนะ่วโมงละแสนมาแต่เราฟรีท่านต้องเข้าไม่ได้นะ้วันที่สิบห้าถึวันที่สิบหกของการด้วยท่านนะครับ สำหรับวันนี้แล้วองค์พ่อขอให้ทงังทางคู่ในการทั้งคู่ใหญ่ก็คู่ก่อนกันและถ้ามีคำถามิ่มคถามองคพ่อทห า, า, านะครับอาจารย์สิวอาจารย์หน่อยใครจะก่อนเชิญครับเชิญครับเชิญอาจารย์หน่อยเชิญครับ รัศกากรจะสุดยอดแล้วก็สวัสดีพ่อแม่ทุกท่านนะคะขออนุญาตหนึ่งสองสามแลโ้วก็ดีเลยคระบคงเห็นกับลด ก, การแล้วนะคะ ว, วิธีการที่เราจะบวชทั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวและก็ต้องการขอบพระคุณ ท่าอาจารย์เอกวุฒิเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเป็นผู้รีดเลิฟจุดประกายเรื่องของการบวกเพลงขึ้นมาการที่ท่านเล่าประสบการณ์ไปแล้วสองสามปะะนะะีที่นะครซึ่งทําให้ใเด็กเนี่ยเขามีศรัทธานะเด็กที่บวชแล้วเนี่ยเขามีศรัทธานะคะศรัทธาในการที่เขาจะเป็นคนดีที่เขาจะดูแลตัวเองที่จะเป็น พูดซึ่งสามารถจะอยู่ด้วยตัวเองได้เพราะนั้นอนนี้ได้เป็นเรื่องสำคัญมากๆของการอบรมเลี้ยงดูบูตรหลานของเรานะคะแล้วก็วิธีการที่ท่านได้พาไปบวชเนตอ น, น, นแรกก็คือท่านสอนก่อนสอนที่นี่ก่อนคือมันมีที่มากว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากเปบว ว่าเขาจะเข้าใจว่าการบวชนั่นคืออะไรมันมีที่มามาก่อนแล้วนะคะแล้วอาจารย์ก็สอนสอนอยู่ที่ระดับประถมและท่านก็รู้สึกขณะที่จะสอนระดับประถมเนี่ยขึ้นไปวัธยมท่านไม่ก็ถ น, นัดแล้วท่านสูแรงวัยรุ่นไม่ไหวเดียต้องหานิมนต์อาจารย์อื่นมาช่วยสอนวัธยมนะคะ ส่วนกระโหเนี่ยทั้งนขนาดแล้วก็ท่านก็มีวิธีการหลากหลายมีวัยอุศโนบายหลายอย่างที่จะทำให้ดเด็กๆเข้าใจว่า เ, เราเป็นพุทธศาสตร์สนิชชนอย่างไรอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นพุทธศาสตร์สนิชชนเราต้องปฏิบัติอย่างไรนะครเพราะนั้นก็ไม่ได้สอนทฤษฎีแต่ ว, ว่าสอนปฏิบัติเลย ราะนั้นพอท่านสอนไปท่าก็เล่านิทานไปบ้างนะยกตัวอย่างไปบ้างประกอบมีกิจกรรมบ้างต้้งปริศนาบ้างมีรางวัลบ้างสารพัดนะอุสโบคยยอะท่านก็บอกว่าเธอรู้นะว่าการสอนเด็กๆเนี่ยมันจะต้องแลวๆขนาดนี้ให้ท่านเอาไม่อยู่อลไโดยเฉ่าเด็กที่เราเรียนรุ่น เขาก็จะถามเยอะชอบหาเหตุผลซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เหตุผลอะไคิดเผื่อไปงั้นแหละแต่ว่าทางปฏิบัติเลยท่านก็ทำปฏิบัตจนกระทั่งเรียกว่าท่านจะต้องไปสร้างศรัทธาด้วยการไปบิญญาบารที่บ้านนะคะอะไรต่ออะไรเนี่นะจนนักเรียนเขาเขาเข้าใจแหละว่า บุญเนี่ยมันเป็นยังบุญที่มันเกิดกับตัวเราที่มเกิดในใจเราเองเพราะนั้นเรื่องนี้มัีที่มามอกแล้วน ะ, ะแล้วยิ่พอรุ่นสองรุ่นสามรุ่นบวชไปแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กแต่คนอื่นทีนี้ก็เลยเกิดเป็นหบวชในซีเวิร์ดมา <c oughs> <c oughs> ปีนี้ก็เป็น การไปโจมหมอดนะะซึ่งที่จริง เ, เราก็ไม่ได้ร่วงรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญของไทยขึ้มนมาเด็กๆ ก, ก, ก็มีใจที่จะ อ, อ, อยากโหวตแล้วก็ไม่ไม่กลัวในประสบการณ์ของการโหวตนะไม่ลังเ ล, ลเด็กๆนี่ได้ดีอย่างในความเปเด็กคือไม่กลัวไม่ลังเลพรอ้องเผชิญด้วสิเนี่ย ้วยตัวเขาเองอนะครับเขากา็ตัดสินใจนเขาก็มีการตัดสินใจว่าเขาอยากก็ไม่เฉพาะเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็ก็รักษาสิทธิของตัวเอง้ก็เขาบันทึก น, นซึ่งก็เป็นเรื่องที่หายากมากสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เกิดได้ยากเป็นเรื่องที่ประจวบ เหมาะอมกันหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดโครงการที่สำคัญนี้ขึ้นในโรงเรียนลุานซึ่งถ้าพ่อแม่ไม่ได้มีใจอยู่ด้วยเนี่ยสิ่งนี้ก็คงเกิดไม่ได้เช่นกันเพราะนั้นเนี่ยโรงเรียนเองก็ตราหน้ถึงความสำคัญขององค์ประกอบหลายๆอย่างความเป็นกาลยานวิตของ พอคแมนะ่ในเรื่องนี้ก็เป็นกรารยานริที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ได้เป็นการยานริชีพเพียงแค่จะบุญแล้วเลี้ยงดูเขาเฉยแต่ว่ามองไปในอนาคตมองไปในชีวิตของเขาที่เขาจะต้องเติบโตเป็นคนที่อยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขอยู่กับใครก็มีความสุขสามารถที่จะ ดำเนนชีวิตแล้วเป็นบวกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทพ่อแม่เป็นกา ร, รยามอนิ้เกอร์บางอย่างแล้วก็มีครูอาจารย์ที่มาส่งเสัยเป็นกา ร, รยามอนิจชันเลิกด้วยอาจารย์ก็อดทนมากๆกการที่จะฝึกอบรมละเรียนแล้เรียนกระถอมเราทั้งหมดมีตั้งหกร้อคนใช่อาจารย์ก็เฝ้าสอนเรียนไปเวียนไปเวียนไป ก็ทุกชั้นทุกค้องถ้าจะจำชื่อนักเรียนได้ถ้าจะบอกแล้วมนะคะแล้วก็รู้จักทิสัยใจคอด้วยนะสามารถที่จะแก้ทางกันได้ดับทางกันได้ด้วยก็เป็นเรื่องที่ว่าเราโชคดีมากที่เรามีรรยายในนีช้ชันเลิศอนนะมาดูแลมร่วมดูแลลุกหลางของมันะ แล้วคุณครูเองคุณจิ๋งเวนก็สนับสนุนก็ทุกคนก็ไม่ได้มีการห้ามปรามอะไรเลยนะเด็กๆจะวดที่ทุกคนเขามันเป็นเรื่องที่น่านับถือในน้ำใจเขาที่เขาตัดสินใจนงที่เขาเห็นช่องทางประสบการณ์แบบนี้นะแม้ในวัยเด็กเด็กๆนี่ไม่เฉพาะประถมนะลงไปถึงอนุบาลด้วยใช่ไหมมีคนๆเนาะชื่ออะไรน้ำเพชร สามคนเนอะอนันวัลสามที่น้อเพชรก็ม า, มามามาที่มหาพระจารย์ยัจำเลยนลเนาะตอนเช้าๆตามปินทบบอแล้วก็ตามมาที่ศาลาในซาคุแม่พ่อมาด้วยหรือเ่าขอ ง, ของนองอ้งเพชรคงนี้อยากได้จากอยู่ด้วกันเรียงลูกยังไงเก่งๆเนาะดีมากๆเลย <c oughs> เอเอ เดี๋ยวอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์กันให้หน่อยรีรูปกันเลยรูปดีดังกันโอ้เราเห็นเรารู้สึกสบายใจสิทธิ์ออนะเอิบหัวห่วงนะมีรูปได้อย่างนี้นี่เขาก็มีศรัทธากันเองด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่ทดียกว่าแหวกเกิดไม่ไดย่ถ้าเป็นโรงเรียนอยื่นๆนะฮะโรงเรียนวิถีพุทธ อ, อื่นๆเนี่ยเขากนจะต้องเกณฑ์กัน เกณกรบวชเป็นพิธีกรรมนะแต่ของเราเ น, นี่ยไม่ใช่เมื่อจะบวชปั๊บเนี่ยโอ้ผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ยันที่ไหนต้องมานั่งออกแบบกันนะว่าจะบวชแล้วนี่จะให้ประโยชน์สูงสุดใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดเลย่อบ้างก็มานั่งคุยกันอันนี้ก็หลายรอบเงเสร็จติดต่อ วิทยากรท่านนั้นท่านนี้ว่าเมื่ อ, อไรอย่างไรนะคะก่อนจะลงตกัก็ต้องใช้ความพยายามผสมพ่วงแล้วก็เราก็พยายามที่จะระวังมากใี่สูดว่าเออไม่ให้ไม่ให้เป็นการปวดแต่แต่เฉพาะพิธีกรรมแต่เมื่อหวดแล้วเนี่ยให้ในศึกษาศึกษาตามภาษาตามอายุของเท่านี่แแต่อย่างน้อยก็ต้องศึกษาว่า อะไรมันเป็นอะไรนะคะในการที่จะเป็นพูทธศา์สนิกระชงเือต้องรู้ธรรมะอะไรแล้วก็ต้องเข้าใจวิธีการที่จะน้อมนำธรรมะเข้ามาใช้ในชีวิตนะทำอย่างไรนะคะรวมไปถึงเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยาสามารถที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจไปด้วยมันก็ยิ่งประเสริฐสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็ถูกวางาไว้ในะโปรกรมทัง้งหลัง ก็ถูกวางเอาไร้แ้วคนรจะเป็นเช่นนั้นพระอาจารย์ก็จะเน้นว่าช่วงที่สุดกดมากที่สุดก็คือเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ว่านักเรียนต้องมาอยู่ด้วยตัวเองดูแลตัวเองนะเข้าใจว่าให้นาน่อดใช่ไหมแต่บาคนตกลงไม่กลราหุ้งใหญ่ใช่ไหมการปแล้วกวดที่แขวนด่ เดี๋ยวก็จะได้ดูกันว่ามีใครกดขามบอกดมาบ้างรับรอง <c oughs> ว, ว่ามีการซ่อมแน่นอนนๆๆ่ก็จะต้องอยู่ต่อการดูดฝ น, นะครต้องดูแลทําเองนะแล้วก็กิจวัตรต่างๆก็ต้องดูแลทำเองแล้วต้ตื่นแต่เช้าตามสัญญาการตื่นแต่เช้า ก็ต้องฝืนใจนะคุณจะขี้เกียจอยู่เหมือนเคยนั้นก็นนไม่ได้อันเนี้ยเป็นการฝึกอันนี้ฝึกบารมีนะนฝึกบารมีจริงๆเลยนะแล้วถ้าหากว่าจบจับตรงนี้ไปแล้วนะไปบ้านเนอะไปฝึกก่อนี่โอ้โหลองคุณจะไดนน้อภิชาติตะบุตเลยเนะคะเนี่ยเราก็ฝึก แล้วก็ฝึกฉันในบาทฉันรวมใช่ไหมฉันรวมในบาทเลือกเรื่องมันไม่ไดนะ้อาจจะอยากเลือกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องรวมลวงในบาท ก, ก็จะได้รู้ว่าจริงๆการผ่านเรื่องไม่ติดในรสชาตินะแต่ว่าทานอาหารเพื่อประโยชน์ของตัวเองมันเหงา ถ้ารู้ซะอย่างนี้ตั้งแตเ็กๆแล้วเขาก็อยู่กับน้ำแต่ว่าพาแล้วมีคนอยู่ทัอันนี้ก็จะต้องสุดสุดนี้นะคะแล้วก็ที่สาคัญคือสุดเดินวิาวรเดินวินถาวน่พระอาจารย์แนะว่ามันเป็นเคล็ดลับของการที่เขาจได้เข้าใจเรื่องของการที่คนมาใส่บาตร ความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ที่อ่อนโยนมากที่เป็นพิเศษนะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ไหว้ไหว้ในไ้ว้ไหว้ชีน้อยในน้อยชีนอน ะ, ะอันนี้มันเป็น เ, เรียกว่าจะว่าพิธีกรรมก็ไม่ใช่หรอว่ามันเป็นเ r a d i t i o n เป็นประเพณีที่เรายึดถือประพฤติปฏิบัติว่าเรานับถือ ผู้ที่ถือสีสูงกว่าแม้เราจะอายุสูงกว่าเขาแต่เราก็รับถือผู้ที่ถือสีมากกว่าเพราะเราถือหข้อในน้อยฉีน้อยถือแปด้อเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เรวกว่าแล้วให้กว่ า, นะวาเขาในสีเนีนะ่ยเป็นวิธีการที่จะทำให้ทั้งเ น, นี่ยิีีก็จะได้เข้า ใ, ใจว่านี่ไงคนเราเนี่ยนะ เออับถือตรงนี้แหละการรักษาสิ่ได้แล้วเขาก็จะได้เห็นว่นาจะรู้สึกถึงความกาลันตีอยู่บุะของพ่อแม่ที่ใส่บาตรเขาจะรู้ว่าชีวิตเขาอยู่ได้เพราะอันอยู่ได้เพราะมีผู้เมตตาผู้ที่เอื้อเฟื้อผู้ที่ให้ การเป็นพระเนี่ยได้ได้ถูกฝนเจียวัดตรง น, นนะเป็นสิ่งที่น่าสัจมากพะะอทานทาน้านา เ, าเดินวิ่งทบายแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอันนี้เป็นคราญโชนเฉียบเล ย, เยสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆนะบุคคลนี้เข้าจะถูกถ้าเขาไม่ใช่ เ, เรียกว่าอะไรละ่ะกระดานจานโบราณ ผู้ชจะสัมผัสและรู้สึกและเรียนรู้ได้นี่นแหละมันเป็นความสมคัญที่พิเศษนะทีเ่เราโชคดีคนไทยได้มีประเพณีวัฒนธรรมสื่อทอดสื่อแบบนี้มา น, นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องถู็ว่านี่เป็นโอกาสที่หาเป็นยากที่ทุกอย่างมาพร้อมกันเป็นเหตุปัจจัยมาส่งเสริมกันจนระทั่เกิด เนี่ยนะคเป็นชุมชนของการปฏิบัติของชาวทุกที่พศนาามากๆกนะะก็คือว่าเราเตรียมให้พร้อมส่วนปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่างๆนานานั้นเนี่ยก็มีแต่เราก็ต้องแก้ไปด้วยสติปัญญาของเราและสิ่งที่พระอาจารย์เน้นย้ำอีกประการหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ตรงนี้ก็คือว่า การที่เราทําบุญคั้งนี้อยากจะให้ได้บุญที่แท้จริงคุณค่าที่แท้จริงของบุญอยู่ที่ไหนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ เ, เราเชาวพุทธก็ต้องฉลาดอนการทำบุญนะฉลาดในการทำ บ, นะรทบเรา เ, เราทําบุญนี้เพื่อที่จะบุญเนี่ยจริงๆถ้าว่าบุญแต่แว่าชำระจริตใจ ชำรจนะจิตใจเนาะเพราะนั้นเนี่ยท่านก็จะไม่เน้นเรื่องที่ว่าจะมาทําบุญด้วยวัตถุแต่ท่านจะเน้นให้ทาบุญด้วยวิธีการที่เราร่วมกันชำระจิตใจให้บริสุทธินะ์เนาะอันนี้เป็นเรื่องที่สํำคัญและท่านก็อยากจะให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและเชื่อเกิดอย่างที่ท่านเล่าเนี่ยท่านเมธท่านจีเนี่ยรับรองว่า การกินอยู่นี่ไม่ขัดแคลนแน่นอนโรงเรียนครั้งเหดียวสำหรับไม่ถาดแคนแน่นอนเราไม่ได้ต้องใช้เงินทองอะไรมากมายนการกิจการนี้นะคะโรงเรียนก็ไม่ได้ต้องลงทุนอะไรมากมายนะเราก็ให้สถานที่ให้สาธารณู ป, ปโภคนอนดีนั่งให้ รู้ทุกคนก็เต็มอกเต็มใจในการที่จะมาบปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวรกันช่วยวกันดูแลกันนะยอมเสียสละเวลาใาด้วยกันทั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ทาบุญเนี่ยได้ชกรักกินใจให้บริสุทธิ์นะคะแล้วก็าทางทาง อ, าอุ ป, ปกรณ์ในการบวชทั้งหลายผู้พ่อแม่ก็จกัดจับให้มา ะ, ะของแต่ละคนแต่ละคนแล้วแต่คนแต่ก็จับให้ดีเพราะนั้นก็เรียกว่าท่านจะไม่ต้องเราบุญสะพ่งสะพังอะไรมากมายสำหรคนที่จะมาเลื่อนร่วมบุญในทางนี้แต่ขอให้มาแล้วเนี่ยได้บุญที่แท้จริงได้ไปให้ถึงคุณค่าที่แท้จริงหองการทำบุญนะคะก็ไม่ต้องหวงเรื่องส่วน เรือ่องของการดูแลนั้นเนี่ยนะคะเราก็ดูแลในบทบาทที่ต่างกันโรงเรียนแล้วก็พวกุเจ้าก็จะดูแลในน้อยชีน้อยในอยู่ในระบบของการศึกษาคึนฝนปฏิบัติจนห้องนี้ก็ดูแลอยู่นานเพื่อจะเพิ่มเพิ่มอะไรแต่ความชัดเจนระหว่างบทบาท ของกัรด yup. ้ะกันนะคะในช่วงนี้เราก็ต้องใช้ความไว้วางใจไว้แนเชื่อใจวางใจว่าเขาทุกคนเขาพัฒนาได้แล้วก็เขาดูแลตัวเองได้อันนี้ก็เรื่องที่อยากจะกล่าวดให้ซ้าบด้วยนุ่มๆแล้วก็ขออนุโมทนาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านขออนุโมทนายยิ่งเลยนะคะโอกาสใอมหาวิทยา เมืบวแล้วหนึ่งชั้นได้บูชันชั้นรูปได้บวชพ่อแม่ได้บูชนะแล้วยังถวายเป็นพระราชนิพน์ได้ด้วยนะเพราะว่าโอกาสแบบนี้เนี่ยควรทำอย่างยิ่งเราเองเราอยากบวดเราอยากบวชไได้แต่เขาบวชได้เขามูได้เขาก็ควรที่จะถวายอันนี้ก็จะได้ได้มาเยอะก็ จากเดิมเมื่ี้่าใครอยากถามอะไร้างวุ่นาที่ทำจันกรนวัใครมีถามทเดี๋ยววันนี้รายเอียดเยอะคุยกันเอากัน ลูกท่านเข้ามาบ่นครั้งนี้เนี่ยครับถือว่าหลวงพ่อขใช้คาว่าข้อดูข้อดูมันถึงนอย่างกี่กี่เนี่ยเด็กป .2 กี่กี่เ็ป .2 เนื่องจวนที่าเปลี่ยนสมัยหลวพอ่พอหลพ่อมีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้มนมันเขาถึง หลวงพ่อมาอีกครั้งก็บอกว่าเขาไม่ปวดก็สงสัยนนที่ไอ้คนนี้ไม่ปวกพ่อเขาบอกคุณพ่อไม่หวบไอ้คุณพ่อไม่หวดคุณแม่ไม่คุณตาไม่ปวดคุณตาคือคุณตาเขาคุณตาเขายังไม่ให้หวดตั้งแต่ตั้งแต่วันที่มันเขียนใสมัครอะไรขงพ่อไม่ก็เลยบอกบอกครูว่าช่วตาคแม่ห่อยเดี๋ยวพ่อคัเพราะอย่างนี้ปล่อยให้ไม่ปวดไม่นะ คุณมันถึงนะมันต้องมันต้องปวดเพราะว่าถ้าเขาพลาดโอกาสนี้แล้วมันจะไม่มีเพราะโอกาสที่มันจะได้ปวดเมีหรือว่าปวดเรียนคนหัวด้วยมันชีวิตคุณเนี่ยผมคิดออาเลยว่าความเป็นมนุษย์นความเป็นมนุษย์เนี่ยมันถึงจะได้โอกาสแบบนี้ถ้าคุณหมดความเป็นมนุษย์แล้วโอกาสนี้มันไม่มีฉะนั้น มันเป็นรอหมุนด้วยอะไรด้วยมันมันประดังอะไรเข้ามันแล้วคุณไม่มีความเสี่ยงบนองถนนไม่มีความเสี่ยงที่ต้องไปเดินทางต่างประเทรอเครื่งบินมันจะตกไปหรืเจอขึ้นเครื่ออันนี้คุอยู่ในนี้สบายๆแล้วก็เขาเขาเรียนว่าวิทยากรที่นํามาให้ท่านเนี่ยเป็นซัมเมอรานั้นนะครับอย่งอาจารย์ผานิอาจารย์สุรวงเนี่ยท่านผู้มาเป็นสมองเป็นสันแต่เราฟรี ก็อข้อภาวนาพ่อไว้นะตอนที่เราคุยเรื่องน้คุณพ่อถึงการฉันแล้วก็สําหรับการเรียนรู้กายใจซึ่งเราจะมีเสื้อแจ็คให้ทุกคนที่โบดถ์เลยนะครับอันนี้คือคุณพ่อผิวเขา อ, อมนงนางให้นะครับหล้วพ่อก็ให้พวกสกิลขอกว่ารู้กายรียนรู้ใจแล้วก็แยกธาตุแยงขันธ์ลูกท่านจะได้เรียนเรียนรู้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจ เรียนรู้ว่าความทุกข์คืออะไรอะไรคือความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายที่เขาคิดว่าเป็นความทุกข์มันมีชั้นอันนี้คือการถึงทุกข์ความไม่พอใจความไม่ได้ดั่งใจพวกนี้ไม่ใช่ความทุกข์มันเป็นอาการของทุกข์ทุกจริงๆของเขาก็คือตัวร่างกายในจิตใจของซึ่งเขาต้องดิ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเขาโกรกคุณแม่เขาเนี่ย เขาบอกขางแม่เขาเนี่ยถามว่าอารมณ์ของจิตของเขาเนี่ยตอนนั้นคืออะไรต่อลูกคุณตอนเนี่ยอารมณ์ลูกคุณอารมณ์ของจิตลูกคุณตอนนั้นคืออะไรคืออะไรครัความดอนหรือว่าบอกแม่ ลูกคุณอคเ น, นี่ยอาจจะไม่รู้กลูกคุณกอคนเนี่ยอารมณ์ของลูกคุณตอนนั้นน่นคืออะไรคุณก็ต้องคิดว่าเป็นความกอดนะจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นตัววัตถุคือตัวคุณลูกคุณกอดคุณเนี่ยจิตเขาจะต้องมีอยู่ที่ตัวคุณกอ่อนแล้วความกอดนั้นอยู่ที่ตัวเขาเขาต้องย้อนกลับมันที่ตัวเขา่า ตอนนี้โัวมีความบอกความบอกมันจะตามทันทีเหมือนกับเขาอยากได้ไอโฟน6ตอนที่คุณเดินไปหางเขามีความอยากที่จะได้ไอโฟน6ถามว่าอารมณ์ของจิตเขาตอนนั้นคืออะไรความอยากคือไอโฟน6 เขาต้องอยากได้ไอโฟนเขาไม่รู <uhhh> <drawn> ้ว่าตัวเขามีความอยากฉะนั้นคอสต์นี้จะสอนน้องให้กลับมาดูตัวเขาว่าตอนนี้ตัวเขามีความอยากมีความโกรธมีความใจร้อยอยู่เพราะถ้าเขาอยากได้ไอโฟนแล้วเขายังขยันขยอกับคุณไอตัวจิตตัวหน้าที่มันอยู่กับไอโฟนมันยังไม่ดับมันจะดับต่อเมื่อเขาต้องรู้ว่าใจเขามีความเขาต้อง้องสอนกับมาที่ตัว แล้วหลังจากนั้นก็ต้องรู้อีกชันหว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอันนี้คือทีมงานของหลวงพ่อปามโนปรมสงสอนเรื่องกันของอาจา ร, รย์พุทนาให้สวันเต็มเ็แล้วหลวงพ่อจะสริมให้ในชีวิตปจำวันอีกครั้งนนะครับ สำหรับวิทยากรท่านอื่นหลวงพ่อาไม่ได้ให้อะไรท่านนอกจากไฮไลท์วันที่ิที่เดือนวม่าพวกท่านต้องมา ไ, มได้ให้แต่ฟอร์เมเต็มพันเลยไม่ได้มีเพราะอาจารย์ต้องการส่งเสร็จในหลสู่สว น, สนอะไรด้วยกับบุญของลูกคุณนะครับรายละเอียดต่างๆสเกจเดิมมันบอกนะพึ่งเสร็จวันนี้เหมือนกันนะครับเต็นายจันเกี่ยวกิมมาสองแ่นหลวงพ่ออกไม่นด้ไอโครงการนี้มันใหญ่ต้องเ็มที ก็เลยใส่ได้นะครับใครมีคำถามครับอยากให้ถามมากกว่าเพราะหลานค่านงยู่ีลูกจะนอนยังไงไม่ต้องห่วงนะเขามีของให้เรียบร้อยนะขี้ก็คงไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขามีส้วมเรียร้อนแต่ถ้าอี็นขี่เราไม่ได้ตรงตรงนั้นก็ทำได้นะไอตรงที่หลวงพ่อพามาสมัยก่อนเมื่างรจะมีห้องน้ำอุ่นสี่ห้องไม่มีส้วม พร้งพ่อเราเนี่มามาค้างอยู่สองสคืนเอ็นเนีก็ปกวดท้องที่สอนสามคืนมันไม่กลา้าไปเข้ามีส้วมที่กลัวผีมันก็เลยขี้ในห้องน้ำแม่บ้านาก็เลยมากอดันขอบดานพ่อว่าผูถุกต้องทาส้วนนมในมันมัดดันตอนนี้ส่วงสร้างเสร็จแล้วสอัหอนมทนา้วนอ้าวใครมีคำถามเชิญครับเชิญอ <c oughs> ย่าเก็บความสงสัยไว้นะครับเ <c oughs> ชิญครับ ชจลมเตะกสอบาย <c oughs> แล้วก็วกอยาให้เขากินมันอยากให้เขากินวันที่สี่นะครับวันที่สี่เขาจะต้องมาถึงกลางเช้าวันที่สี่ต้อม า, างกเช้าเพราะว่าเขาจะต้องซ้อมวิธีการขอขมาการขอเขามาการเาาาสือกันรนี่หลวงพ่อยังไม่ถึงการถึงจีวรเลยแค่บทสือกบนให้พรเนี่ยวันนี้ยังต้องวา แอ้วนี่ก็เพิ <tan> ่งได้มาสดๆอลนเดี <t S 2> know, ๋ยววันนี้ก็ย e ังไม่พอนะครับไม่ต้องห่วงครับอย่าให้เขาอย่าให้เขาผู้ง่ายๆคือคุณพยายามให้เขากอเย็นได้ที่ดีตอนนี้ให้เขากินน้อยๆหน่อยแล้วจะถึงเวลานั้นเวลานั้นตอนปวดจริงๆนะครับสองสามวได้ยังหมุนอ้วนวันสมาวได้ยังหมุนวันที่สามมันจะโผล่ละ เขาจะไม่สนใจเรื่องอาหาแล้วขอย่างนะครับลูกท่านที่ป่วย้งนียางนะครับไม่ว่าจะเป็นแมหรือชีน้อยก็แลนะ้วแต่ถ้าโครงการที่ที่จะมีต่อไปมีต่ อ, ต อ, ตอไปลูกท่านต้องหัวนแน่นอนล้านสิเพราะจิตมันพิงกมานะแล้วแลอวตายไปเกิดใหม่ก็ต้องหววแน่นอนเพราะเราบู่นันมาบางคนนี่ หลวงพ่ากชันทยอยเท่าไหร่เลยก็ไม่ยอมเห็นเพราะว่าพมนันไม่ถึงพี่น้องสองคน อ, อยู่เยนเดียวนั้นนะครับตอนนี้น้องปวไปแล้วสามครั้งทางนี้ทา ง, งพี่มันยังไม่ปวดยังไม่รู้จะทำยังไงอ้าวใครมีคำถามเชิญครับเชิญครับอ่าวเชิญนะครับ สิบหกแลวเด็ก้าเาอยากจะปวต่อวต่อน่ักว่าปวต่อหนึัว่าเดี๋ยว่าวจปดนก็นุงชนี้ ก็ม่ผูอยากทำอะไรอยู่ในสวทำไมต้องที่จริงๆผมว่อยางนั้นเป็นลูกคนนึ่งยย้าพอเอเรย่องก็ไม่นยิ่นั้นทำไมพต้องดู่่้วยแล้วเขจะคือการแฝงแขนการอะไรมันไม่ได้เพราะว่าสีมันจะมันขั้วสีมันจะมัขัฉะนั้น เอาพูดถึงโครงการนี้เลยกันหนึ่โครงการนี้เนี่ยมันมาจากเอกนทวันที่ไปรู้เสียงหองสามปีเขาจะมาโยกสิบสร่ต่ำคเช้าคือนำนำเพล่ก็บอกนำเพล่นำเพต้องบวชชีนะถ้านำเพลรไม่บวชชีเ hmm. น <im> e ี่ยไม่ได <im ans inappropriate> <im> <alongside> ้ข้อคุญมันถึงแล้วเราดูแล้สมทรเราก็คิดว <im> <matter> <im> ่าเราจะชชีมาบวชดีกว่าคิดว่าจะบวชในน้อยหน่อย ก็สอนบางที่สอนชั้นประมเนี่ยเราก็จะเปิดเรื่องจะปูเรจะเจ้าเราก็จะจางเรากังเรก็จะเปิดเรื่องเราไปบวชเนี่ยเราทานไปเจอยังไงถึงโดนนันน้เพช็ยังไม่น้ำปากเลยตอนตอนบานเราก็ให้เวลาเข้าไปเขาก็ยังไม่น้ปากก็เลยบอกน้ำเพ่ถ้าน้าเพชไม่บวชชีเนี่เราหลวงพ่อไปบอกพวกพี่ีชั้นประถมเขาบวชเนี่ย เราวหวพ่าจะให้เรื่องไขเพราะว่าต้องไปถามน้ำเพชรแล้วว่านเพชรปวหรือเปล่าถ้าน้ำเพชรไม่บวคกูไม่มีสีบวดนะต้องกดดัน้เพารกหวว่าน้ำเพชรบวดพวกพิ่ีเขาเลยไม่ต้องไปกดดันเพราะงั้นถ้าเกิดน้เพชรไม่บวดเนี่ยพวกผู้หญิงพวกนี้จะต้องไปกดดันน้ำเพชรให้ปวดพราะน้ำเพชรถี่มากปวดแล้วต้องก็จะมีประมาณสองคนคือพี่ชิคซึ่งเป็นสีทองนะสา นะครับแล้วก็ึ .1 ก็มีทุกที่ป .2 ก็อ .2 ที่เก่งมากนะวนตทีได้ฝัจะให้ความรคุณป .2 ก็จัมีป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ป .4 ป .5 ป .6 นี่คือสวดมนต์สุดน .2 เอ้าใครมีคำถามเชิญนะต้องถามนะครับอย่าอย่าเก็บความอัดอั้นตังใจนลูกท่านตอนนี้ต้องหนาดีๆเพราว่าผว่าต้อง อนเจริญสิ่งที่พรอคงเตรียมนะค่ะที่จะอามาวางที่ด้านหลังมี่งขันน้ำใวัน อ, อ, อ๋อนั้นวันวันที่สี่วันที่สี่ออ ว, าาวน่สี่ามวันีาเ้าใคือขันน้กับขันน้ำเนี่ยถ้าต้องเอามาอย็งนว่นนา ถ้าคุณทำมาทิงเลยมันก็เป็นภาระของพ่อเองนะคุณก็ทำาเรียนแล้วคุณผิดผมเสร็จต่อผมเสร็จคุก็กลับไปกันไกลคุณทำมาเป็่กังไกลเขากังไกลของผมของพ่อนี่มันขึ้นแล้วหัวมันสีนุ่นแมันงงตื้นคุณหยิอย่างช่วงนี้คนเนี้ยปวดทัชีนั่งหัวสมัยเองก่อนนะเขาไม่ปวดชีตามหลังเดี๋ยวพิธีการปวดพิธีการปวตรงนั้นมันจะสังสีมากเดี๋ยวเราต้องซ้อมกับคนนี้พี่ช่วงนี้ต้องซ้อมเข ต้องซองเขาบิ ians, นกรบ่าซองเขบทสาคัญท so ี่สุดที่ต้องซองให้เขาให้ผ่อนน้เพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเขาไปบินบานนีเาต้องให้ผ่อนโยล้วก็เวลาเขาประทาดโยนเนี่ยเขาจะสั่จะต้องให้ให้คอนี้วมืแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเลื่อนการผูกผ้าของชีบนะครับการเก็บแขนปล่อยแขนการเปิดฝังามันต้องฝึกหมดทงหมดเวลาทั้งหมดอีกสกว่าวันที่เหลือเนี่ย คงแตงสตีนะไม่มีอเไรอาเชนครับเจอนครับขันน้ำต้องขันน้ถังน้ำต้องเป็นสีเหลืองนะครขมเป็น้ีก็ได้เพราะเป็นการที่อาเชครับีเลยครับจะมีคาใช้จในการบวค่ราบว่าจ่ที่ไทยค่าใช้จในการบวชคือจ่ายฝากมันที่คุูประจาชันนะคะ ว่าขังน้ำแม่จะคั่วที่หลวงพ่อบอกให้เอากลับออไม่เอากลั บ, ะ บ, บะนะคะเพราะว่าเอาไว้สักชุดจีวรแล้วก็ซักชุดของชีเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอ่อ่ามีอะไรครับค้ายๆรุ่นหนึงที่ถุงนเรุ่นหนึ่งนี่หลวงพ่อไปไหวุ่นแรเน่พ่อออกคนเดียวทั้งค่าโหลบินทั้งน้าทนั้นต้องบอกไปศึาร เขาบอกท่นนี้สองคู่ความู่เดียวชีวิเพราะคนหนีไม่อยากเป็นคู่คู่นมองหน้ากันไม่แยกออกจากกันนแต่ไม่อยากไม่อยากเป็นบารานีคู่คู่ทมเพราะตอนนี้มันมีเราเรื่องวัสดุกินมันไม่ด้อ่ะมีไหมครับอันเชนนะหลวงพ่อครั้งระหวางที่เน้นตชีวิตค่ะมีแนะนําว่าคุณพ่อคุณแม่มาแยกได้เป็นเวลาหลายปี เป็นไม่ได้ไม่ควรมาเพราะมันเป็นปัญหาหลวงพ่อเคยพาไปแม่สอนแล้วพ่อแม่ก็เขาตามไปแล้วพ่อแม่พาไปไหนรู้บ้างไปล้วงไข่ในน้ำตอแล้วกลับมาในน้นตอกพ่อว่าไางดูพ่อผมเส แล้วคุณแม่กับพ่อมันจะบอกว่าไงเฮ้ยสึกไม่ได้ตูมีนซื้อเรียบร้อยแล้วขาตัำบึ่งมาหวานนะสามสี่หมื่นไม่เป็นไรหรืผมบอกพ่อแม่ผมใจคุณคิดดีอยู่แม่สอนจังหวัดตากโปรแกรมเรียนสูงหอยอุตรดิตแรง รำบางเสียงลายซึมไปไม่ได้เลยเพราะถ้าไปมันสุดแ ล, แล้วโทรศัพท์เราก็ห้ามโทรอย่างเดียวคือต้องจับเวลาหนึ่งนาทีรางวางันกิจกรรมเพินไม่ได้โทรเลยเวลาโทรไม่ได้ไม่ได้โทร สี่มโมงเย็นโอได้หนึ่งนาทีหรือสองนาทีแต่มที่นอกนั้นปิดเพระคำสาบคืหลวพ่อขึ้นอหลวพ่อเข้าใจพวกท่านนะว่าพวกท่านที่ถงโลกถือพอ่อเข้าใจสิวันนี้สิบวันนี้ในชีวิตลูกท่านนะครับสิบวันนี้นะมันต้องคุมค่าที่สุดเท่าที่จะคุ้มค่านั้ ชีวิตเขาชีวิตอาจจะมงค่าในสิน่งต่างๆเพราะเขาได้เรียนรู้เขาได้เรียนรู้การจ่าเขาได้เรียนรู้การเจริดสิทธิในชีวิตปอะจำวันเขาได้เรียนรู้วิปัสนาการรมฐานที่ถูกต้องเอาความสุตัวเป็นหลักไม่ใช่เอาความสุขนะครับเราเขาก็อาจจะบรรลุกันม่ได้บางวันนะครับเพราะว่า เพศที่หลวง่าจะสอนวิปัสนาแบบนี้เพราะว่าจิตของเขาพร้อมที่จะรัาว่าจิตขเขาไม่มีมรรยาส อ, ส อ, าองผู้ใหญ่ค่อนข้างยากนะครับอาจจะลองดูแต่ชีวิเขาคุ้มค่าแน่ในสิบันนี้นะครับอ้าวเชิญครับมีไหมครับในวันที่มีวิศเยกรมาบรรยายนะคะผู้ปกองสามารถเร่วมเข้าฟังได้ ลูกนี่จริงๆจริง จ, งจิงอยากให้เข้านะคุณเข้ามาได้แต่เวลาคุณเข้ามาเนี่ยลูกคุณจะเห็นหน้าคุณลแล้วใจจริงเขาจคุณมาไมให้ลูกเห็นได้แล้ตอ <c oughs> นยี่สิบห้าเนี่ยผมเข้ามายังไงคุณข้ามา เชิญครับเชิญไม่้ไลมาท่านเยไม่ได้กินกันอยาจะให้มาเยอ่คุณมาเนี่ยคุณเลยคมันจะเสียจะหวาูคุณลีงะพ่อบอกคุณเชื่อหลวพ่อเพราะว่าหลวพ่อประสบการณ์เนยังเยะมีอบรองของคุณนาให้กับผู้ปกครองวันที่ว่ายที่สร้างดวันที่เท่าไหร่กันแยกตรนีเลยพูดร จะมีวันที่เก้ากับสิบเสื้อสิบกับสิเโทษครับเป็นช่วงวันเอ่อวันวันละเท่าเทเนยนะก็จะเป็นวันมีสวันนะฮะทั้งวันเลยก็จะมีคุนกูนาะครับกูนานี่เป็นเอ่อ กระบวนการเกี่ยวกับโรงเรียนพ่อแม่ลูกึพื่อจะมาสอนบาคุยเรื่องกบการเพื่อพ่อเอ่อเป็นการการหลักรู้ก็คือการคุยเป็นกลุ่มครับแล้วก็เอ่อให้เรามาดูกายดใจเพื่อที่จะเรียนรู้โดยเเองโดยครอครัวของรคนละคนรอบท่าผ่านศิลปะสนทนาและสิลปะเอ่อ เพราะมีปกติเรอเก็บเงนโทรศีต 3,000 บาทเอ่อของเรามาดาลบำรุงให้มา800สองวันนะฮะ <All right. S 1> ก็คือมีสถานีของว่าให้ท่านแล้วก็เลี่ยนที่ห้องดีกันนะครับต้นทินจัดจัดประมาณ50ทัานนะครับถ้าท่านเอ่อคุณพ่อคุแม่สามารถมาคู่กันได้ก็จะดีมากนะครับถ้ามาไม่ได้ถ้าเดียวได้ก็ก็มาคนเดียว แต่อยากให้มาเป็นผู้เราจะได้มาเรียนรู้กันในการเรียนรู้เรื่องของการดูแลบุตรหลานเราเรียนรู้ว่าอะไรคื อ, อถ้าถ้าถ้าานไหนพ่อแม่ลูกหรื อ, อลูกตัวเราเองกับตุวอ้อมเมื่อที่คุยกันปาะดา้หรือมีปัญาหาเรือ่องการสื่อสารพ้อมีมา จ, จะช่วยกันได้ หรือถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยเรก็จะเรียนรู้เรื่องของตัวเราเองและก็เรของเราว่าอะไรคือวิธีการที่เราเราได้เราจะได้รู้จักตัวเราเองเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นการเรียนรู้ตัวเราเองเพื่อเพื่อการ สื่อสารที่ดีในครอบครัวแล้วก็เป็นการทําบีถวายพ้อหลวของเราด้วยเช่นกันคูดกันไนะปนกับรูปของเราครับถ้าท่านใดนะครั บ, นรนรบสนใจผมจ ะ, ะโพสในไลน์ของกลูก็ได้นะครับไลน์กลุ่มให้ใครยังไม่มีถามๆเพื่อนๆนะครับเรามีไลน์นะฮะของเมดน้อยสีน้อยนะครั บ, รบแล้วเดี๋ยวผมจะโพสตในนั้นนะอีกทีอนะาจะมีป้ายทีอบอกอีกทีนึง ก็จะมีเงินพอสักให้โผรไปสมัคได้นะครับเฮย่สกี่นว่าจเป็นาจริอาจารย์านิอาจารย์หมายทงจะให้ถ่ายวดีโอละเฉยให้ถ่่ารัา สะอาดครับสะอาดไม่พ an ้อมสะอาดครับสะอาดสว่างครับสว่างครับเชิญครับาชิญครับมีไหมครับเชิญครับเวลาผู้ปกครองเนี่หนใส่ใส่มาใส่หนี้มคะถ้าต้องตามมากุงท่านสายหน่ย ก็นีก้าส า, ย แ, ย, า, า, ายแต่ละวันนี่มมกกลูกท่านยังไม่ได้มีน้บาเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องให้โยมแต่มั่้านชมมรนนคุณผู้ว่างานคลูกคุณต้องไปถ่าศูนให้ชบ้างคือถ้าเกิดบินั้งๆบ้านหม่้านเดียวสิบวันคนสายมัย อ, อ, อาจอาชนครับอนุญาตครูกุญิบใช่ไหมกุิจะเป็คนคนอัปเดตเรื่องของ ตารางการบินบาสใช่ไหมฮะไม่งั้นผมจะขอเป็ น, ปนโัวแทนที่จะสื่อสารกับคุณผแล้วก็อัปเดตเรื่องสายบาากกินาบาสผ่านทางไลน์นะครับได้ค <ๆ S 1> ่ะได้ค่ะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ผูกครองได้ทราบว่าสลูกๆของท่า น, น, นเดินบินบาส ท, ที่ไหนสายไหนอะไรอย่างเงี้ย จะได้รู้ว่ากลับมาควยก็จะต้องบอกก่อ็หลพ่อยังไม่รู้ยอยู่บ้านท่หไม่ราาอบ้านมีที่ไหนบ้าตอนนั้นก็คงจะได้แลแล้วก็แต่ละวันก็จะมีการอ p d a t e รอหน้าโรงเรียนแล้วกันนะคะเพร่เดี๋ยวมันจะสับสนถ้าอ่เช่นถ้าสายใหนที่มามาไปัยที่ใกล้ก็อาจจะ เราเิ่มกัดีกว่าขอแจ้งนะคะสายที่จะมีธบนะคะจะมีหนึ่งบ้านหมู่บ้านเหานะคะขวานึงนะคะหมู่บ้านเหาต่อจากหมู่บ้านเหาก็บ้านรงมไม้ไชกอซึ่งปกติจะเป็นชีนบอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ยัองหมู่บ้านที่ชาเป็นสสายเพราะว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่ก็จะมีสายถเป็นส่นะคะบ้านเดียวกันตรงสถาบ้านตรงนี้นะเนาะ ฝั่งต้นใหญ่ก็เป็นหะคะบ้านตรงสามจ้แม่ทบทิมบ้านตรงบ้านชายคลองหรือบ้านชายครองไหมคะคุณหมูนะ่ะหมู่บ้านหมู่บ้านพี่หมูอยู่บ้านชายครองพี่หมูจะช่วยสงานก็คือจะเดินเลยพุทธโสภะไปฝั่ซ้ายหนึ่งบ้านชัยครองนะคะก็เป็น6กเจ็ดก็คือบ้านสวนลิมครองบางนอดนะตรงวัดสนามข้าวมันไก่ฝั่งซ้ายและังนะคะแล้วก็การอักบ้าน ก็ัสนดกบุครับที個個個่สามกษาลับลับนครับสนามสาครับสนาสว่างไม่พร้อมสว่างครับสว่างสงครับสนามนยืดอาเจนครับหลวงพ่อครับดีตอนช่วงต้นรายการ่เนหลวงพ่อ เ, เสื้อสีขาวชี้เป็นเสื้อชิม น, นะคะถ้าเกิดว่าทำผู้ปกครองอยากอยากร่วมด้วยแล้วก็ได้เปอนชีวิเถึงจะต้องทำยังไงบ้างนะคะคด <c oughs> <c oughs> ีนมีตัวเองชนะชายชี้ จ, จันจิ๋ว ดีเห็นคุณพ่อขอกับคุณแม่ชินเล่แจ้งว่าพ่อเจดีย์ให้ทุกท่านเอเสื้อมาให้เขาใส่ถุกมาแล้วใส่ชื่อเขาจะไปสักครีนให้ค่ะสักครีเสื้อตัวและสืาตาสำหรับผู้ต้องการนะคะวันนี้ใครจะเป็นผู้ประสานงานไ้ไใส่ที่เรา เดี๋มันไม่ชัดเจนันี้เสื้อตัวนี้มันอยู่ประมาณ200ร้อยที่ก็าแจกตามไซส์ของคนที่มาบุอันนี้ก็คือให้ดีระวังคุณก้อนใจดาเขาทาให้นะครับส่วนถ้าคุณไม่ไม่ได้นำแจกคุณเอาเสื้อของขา้าตันี้ไปให้เขาเสื้อผ้าตันี้สิบาบาทเท่านี้ก็จะได้โลโก้ตัวนี้คือรู้กายรู้ใจแยกค่าแยกถึงแยกค่าแยนั่นอมายถึงมาลูกท่านต้องรู้เลยว่าตอนนี้ ร่างกายอยู่ตัวนจิตใจเป็นคนดูนะครับความปอดอยูตัวหนึ่งจิตใจเป็นคนดูยแยกาพแหกสังข์เพื่อจะขึ้นวิปัสสนาให้มันเห็นตายละของกายของใจรู้กายรู้ใจแตาไม่เห็นตายละของกายของใจขึ้นวิปัสนาได้เข้าใจไห ค, ครับอ่ใครมีคาถามเชิญครับหมอเลีอยง ค, ครับคะแม่ยืนยันไหมครับคับคุณพ่อคะเ่อ ผมมีภากิจเอาคุณปาทในวันที่13แล้ต้องไลน์หวันแล้วสามารถกลับมารวจออกได้คะในในเขานไหนเนาะอดีมีรายการอะไนกขออนุาการอะไรรกันสุปิ่แต่ว่าต้องต้องสุดไหมคะไม่รายการไม่ส <jamais drama> <t ries> ุดไม่ได้ ไปทั้งชุดเนี่ยแล้วแต่ตอนไปทั้งชุดเนีแล้วับมาชุดเนี่ยไม่กันย้าัไม่เพราะว่าเดี๋ยวคุณจะพาวันที่25ใช่ค่ะโปรแกรมร้องไ่อยากพวันที่25นี่สมพ่อบอกเลยนะไฮไลท์ของของโครงการเนี่ยอาจารย์สงสารนี่พ่อพูดง่ายคนหนึ่งของเจ้าพ่อพูดเลยว่าอันสงจากพรเจ้าไม่ใช่พ่อทุกวิทยากรที่เราเชิญนี่ต้องขอบคุณพผู้เจ้าเลย เราเราพูดจริงๆว่าตอนนี้ก็ูหุมเรบอกว่าขอให้ท่านบ้าแล้วก็ท่านนี่านต้องเราก็พยายามเค่เวลาท่านนี้ได้สุดท้ายท่าก็ให้เรามานะอาบชเชครับมีไครับบอลท่ไนครับสม่ำอค่ะพอดีบวชทั้งเมกับเชียค่ะอย่างนี้คนจะอยู่สายเดียวกันหรือว่าแยกสายวิธบดีคะ แต่ภาษาที่จะมีเรียนห้าชเาแบ่ง้อยูแล้วครับพี่น้องกันก็ควรอยู่ด้วยกันหรือว่าพี่น้องกันหรือยังไงคุวฟางทีงานก็จะเสร็จได้ขอบคุณค่ะบังานก็จะเสร็จไม่เป็นไรไม่สายหน้าสิบวันนะคะอ่าใช่ครับเพราะคือเรียนชีนเรีนอนะครับแล้วเขาไม่ได้เข้าเย็นทีเราคนรจฝึกออกนะครับสัปดาห์ที่นึงนะคือเข้าเย็น ก็บอกนะจะพาไปเข้าปูนฉีดเคเราดีปูนให้เขากินข่ามกินง่วงคือเขาบอกนันจะดีเพราะว่าคือจริงๆคุณตองวเขาก็ไม่ถึงนะครับเขาอาจจะมองแง่มันแล้วเราอาจจะใ้้วยกินบอกให้แต่ต้องดาณเลยเวยกิน้อนหนากินเป็นอาหารไม่ได้หิวจริงแไม่ยวรลก็เสียองาจารย์ครับบอกยังครับ ไม no, ่ม mm ีแล้วใช่ไหมคับมีไหมครับอ่าไม่มีก็เดี๋ยวการสนอในเดี๋ยวจะให้พวกเนยน้อยชีน้อยมาให้ความเป็นพ่อแม่งหลังจากกดมาพวกนี้ยังยังได้ค่สามสิซนตยังไม่ครบร้อยนะอยู่ังามสิอซ่ะคืออย่าีะร อยากจะให้นเป็นเรื่องีเป็นสั้นาอะไรที่ไม่เข้าใจเนี่ยขอเชิญมาถามได้ที่ออได้พี่จิ๋ก็ได้นะคะคมันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเราก็เดี๋ยวจะใหญ่โตเราก็รักษาจิตใจของเราในฐานะพ่อแม่กมีอะไรเราควรวยกันด้วยี่นะฝากเอาไว้่อ่ เอาแล้วนะอยากฟังลูกคุณนะอ้าวสาดสะาสว่างสว่างตาสงบสง่านามปิดชีทั้งหมดนะครับปิดชีทั้งหมดไม่นะครับแล้วเดินข้นมาหาหลวงพ่อนี้ขึหลวงพ่อนี้แล้วกลับลงหันาใหลวงพ่อเดียวสมว่าถ้ามีชีมาครับ ผู้หญิงนังด้นานหน้าผู้ชายนั่งดาหังเอางี้กันผู้หญิงฝังซ้ายมือพ่อผู้ชายฝังขวาผู้หญิงฝังซ้ายผู้ชายฝังขวาพ่อพร เ, เป็นพิศเศษที่ร<อ>้องให้พรช่วงฉันอาหารนี่เลยให้พรคนหนึ่งซีให้ผมหนึ่งต่างคนต่างให้พรถ้าคุณฟังมาแ ล, ล้วดันว่าใครเจ๋งผู้ชายอยู่ไหนครับ ขวาเนะขวาเลยที่ยนั้นขวานะครับอ้าวขง้ขอเพื่อรักษาหน้าหลงพ่อขอเอาสะอาดสะอาดครับเดี๋ยวไม่พร้อมสะอาดครับ ยังไม่พร้อมนะครับยังเปรกันอยู่เนี่ยช่วยช่ยยุุดนข้งหน้านิดนึ่งครับเวทีหลวงพ่อสอาดแล้วนะเนี่ยช้ข้าง้งครับไม่ต้องเถิะมีคุณพ่อคุณแม่เราตอไปชาวบ้านนน่เถินะครับสะอาดครับไม่พร้อมครับสะาดครับสะาดครับยังไม่พร้อมสะาดครับสะอาดครับสว่างครับสว่างครับสว่างครับ สงบครับอ้ามสนามชีขึ้นจะเ ล, ปปโลโาา ย, มยมาพรัน ขีทีขายโยโภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริ ส, สนันตังวุทธาปะเนียโมจตารมามาวรวันที่อายุวันโนสุขังพลังพอศีกันคืออายุวันหน้าสุขภาพร่า ง, งาออาย่อมจะเลิศแก่บุคคลผู้มีปกติไหวต า, ามี่ปกติอ่อนน้องของผู้ใหญ่เป่นนิสเพราะว่าดุาสะ ข้าพุทธาเสวยนะผู้ของคนจงมีแก่ท่านรากคันถูกศัพ์พระเทวตาขอเหล่าเทวราทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทเจ้าทั้งัวสัพพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิุโทภาลโทธทีโลผู้มีปัญญาย่อมให้อายุให้กำลังวันน้โทปฏิภาณนโทให้วันนั้าให้ปฏิภาณสุขส า, าสถาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโสอธิคัสชาติย่อมได้ประสบสุขอายุงทัตตะวัน คนผู้ให้อายุวันละวันน่าสุขะและปฏิภาณที่คายุยาสวาโหติยาทายาทูปภาชาติตจะไปเกิดในที่ใดใดยอมเป็นผู้มีอายุยืนมียอดในที่นันนันดังนี้ ของใครเนี่ย มี ใ, ใจเรื่องใส่ใจทาแล้ว